วันนี้วันที่สิบเก้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยสามสิบเป็นวันที่เล่านิทานให้บรรดาลูกหลานฟั ง, งสำหรับนิทานทีล่าฟัางนี้ถ้ามีคนถามว่าเป็นนิทานอะไรก็ต้องตอบก็ว่าเป็นนิทานพุทธศาสตร์อินประวัติศาสตร์เป็นสองสาศตร์เรื่องกัน เป็นนิทานพุทธศาสตร์ด้วยและก็อิงประวัติศาสตร์สำหรับพุทธศาสตร์นันตรงเล่าเรื่องความฟความเป็นมาตรงสําหรับรวิทยาศาสตร์จะไม่แน่นอนนักเพราะว่าผู้เล่าให้ฟังไม่เคยเรียนวิทยาศาสตร์และไม่มีความรู้เหล่านี้มาก่อนดังนั้นที่จะเล่าฟังในเรื่องด้านวิทยาศาสตร์ก็ถือว่าเป็นการเดา เล่าเป็นนิทานไม่ต้องการให้บุคคลใดจดจำไปปฏิบัติแต่ถ้าบางเอิญจดใดไปตรงกับวิทยาศาสตร์เข้า<ม>ก็ขอให้ทราบว่านั่นเป็นการบังเอิญไม่ใช่มีความรู้ตอนนี้ไปก็จะขอเล่าเรื่องราวของจ right ุไรเด็กเล็กซึ่งมียหุหะาห้าปีเสร็จเขาทดสปีเสร็จย่าก็ห้าปีแต่ม <c oughs> าเปนตอนนี้ เจริญมีความเข้มตัวในฌานสมาบัติมากต้องรีก็เพราะว่าอาศัยท่านแม่เป็นฝ่ายอุปการะฝึกฝนให้อยองท่านเจรไรมีความยังนานเป็นผู้มีจิตจิตสรงฌานการที่เป็นผู้มีจิตสรงฌานนั้นต้งทราบว่าจะทําอะไรก็ทําได้ทันทีต้องการรู้รู้ได้ทันที ต้องการไปไหนด้วยกำลังข้องธิ์ก็ไปได้ทันทีวิธีปฏิบัติขคืออะไรก็คือว่าเมื่อตื่นนอนใหม่ๆหเ <c oughs> ไม่จิตใจเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระ อ, อริยสงฆ์กราบพระด้วยความจริงใจด้วยความเคารพหลังจากนั้นก็กำหนับจิตคิดว่าขึ้นเพว่าความเลวทท้งสิบอย่างต้องไม่มีในเรา แั่นคือหนึ่งจิตคิดจะฆ่าและคิดจะทำร้ายร่างกายคนอื่นไม่มีสองจิดคิดลักขโมยของคนอื่นไม่มีสาจิตคิดจะแย่งคนรักของคนอื่นไม่มีนี่ทางกายแต่ทางวาจามนสี่หนึ่งจิดคิดว่าจะพูดปดไม่มีสองคิดจะคิดพูดคำหยาบไปสร้างสะเทิอนใจคนอื่นไม่มี แล้วก็จะพูดสอนเสียดเยี่ยงส่งเสริมให้แต่เรากันก็ไม่มีวาจาใดที่ไร้ประโยชน์จะคิดพูดอย่างนั้นก็ไม่มีไม่พูดโดยไม่คิดด้วยนี่เป็างวาจาด้านจิตใจเธอคุมได้สามพื่อหนึ่งไม่คิดอย่าได้ทรัพย์สมบัติของใครและเป็นข้อตนสองไม่คิดกย่ทรัพย์สมัตใคร และแต่สามมีความเห็นตรงตามคำสอสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเธอชนะจิตใจดังนี้แล้วจิตผ่องแพ่ก็ตั้งอยู่ในความกตัญญูรู้คนคิดถึงคนผู้มีคนมีวิดามันดาคุบาจารย์เป็นต้นน่าจะนั่นใครให้อะไรนิดหน่อยหนึ่งจะแนะนำสอนสอนคธอก็จดจำตั้งใจคิดว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้เป็นผู้มีคน แล้วจะสนองคนของท่านด้วยความดีเรื่องความกำลังใจของตั่ไหลตั้งวานนี้เป็นปกติตลอดวันตั้งไว้ตั้งแต่เช้าตรู่วันนี้จนทั้งถึงเช้าตรู่วันพรุ่งนี้ก็มัยความว่าจิตใจเธอไม่ละความดีส่วนนี้นอกจากนั้นคำภาวนาคำาโมนาว่าพุทโธก็ดีสัมมาแรงก็ดีนมามะพะทากา็าตาม หรือโมงรายะก็ตามตามที่เธอต้องการเวลาจิตว่างจากจิตอื่นเธอภาวนาเป็นปกติขณะที่ภาวนาโย่จิตก็นึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งหรือภาพพระพุทธเจ้าต้าที่เคยเห็นจิตไม่เคย้างวิจาการ์เห็นภาพบางครั้งไม่ได้ภาวนานั่งทำงานอยู่จิตก็จะภาพรั เดินไปโรงเรียนนะเดินไปทํางานจะเพราะต่างๆจิตกับภาพพระขอพระเป็นที่พึงจะเห็นอย่างนี้เป็นปกติชื่อว่าเป็นผู้สงสารแค่นั้นลูกหลานทุกคนพยายามทําจิตใจเหมือนอยู่ไรจะได้เป็นผู้สงสารถ้าเป็นผู้ส่งสารแบบนี้จะฝึกวิชาสามก็ดีอาปัญญาหกก็ดีปริชนิทายายก็ดีสําเร็จทุกอย่างเพราะพื้นฐานเดิมมีอยู่แล้ว แต่เป็นหลักฐานที่มีความสำคัญด้วยกรณีความเม่อในตอนนี้เป็นตอนที่จงไร <c oughs> มีการคล่องตัวในการทรงฌานทรงฌานเป็นปกติคือจิตนึกเห็นภาพพระเป็นปกติมาวันนั้นหลังจากกลับจากโรงเรียนแล้วอาศัยความกตัญญูรู้คนไปกราบบิดามันดากล่าววาจาภรระวิดามันดาก็ให้พร คนที่มีความวัตันโยรูค้คนเป็นอย่างนี้ไปที่ไหนใครก็รักหลังจากนั้นรับทานอาหารตอนเย็นแล้วก็ตักน้ำลดตักโดมินก็ถือว่าต้องการทำมาให้กินเป็นปกติเขาคคลจะต้องทำต้องช่วยบิดามารดาทำเสร็จจากนั้นแล้วก็ทำการบ้านอาบน้ำเสร็จทำการบ้านเสร็จก็พักผ่อนดูวิหลักวิชาความรู้ที่จเรียนในวันพรุนี้ตามสงังก์ค ถึงเวลากล้จะอนอนหรือเวลาจะประมาณหนึ่งชั่วโมงเจอะไรก็วางหนาังสือลุกขึ้นบูชาพระตั้งใจสมาทานกรรมฐามตามที่แม่สอนหลังจากนั้นปิดก็จับภาพพระพุทธรูปหรือพระพุทธเจากก้าก็ได้ตามใจชอบเรืองพระองค์ใดองค์หนึ่งปิดจับก็เห็นภาพพระใสสอาดเป็ น, นกายฟิสตานั้นไปเธอก็คิดว่าโลกได้จันทร์ไปเที่ยว ม, มาแล้ว อันนี้เวลานิพพังเขาไปเชื่อโลกแป้งคานกันโลกแป้งคานาอยู่ที่ไหนเธอไม่รู้จักให้ใครก็เชื่อดูคนก็เชื่อไม่ถูกทุกคนก็บอกว่าไม่รู้จักโลกแป้งคานผู้ที่รู้จักจริงๆก็คือฝรั่งเท่านั้นเมื่อฝลั่งรู้แต่คนไทยไม่รู้จจเวียเจริญคนรู้แต่เธอไม่ได้ถามคนรู้ ถามบิดามารดาท่านก็นบอกว่าท่านไม่เคยไปไม่เคยศึกษาเรื่องนี้มา ก, ก่อนเธอหมดหวังในการที่จะรู้จักโลกแจ้งขันก็นึกในใจว่าเสียงใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าไม่รู้นั้นไม่มีแม่เคยบอกว่าอย่างนั้นแบอบกว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นสักพัญโยข้ามโลกศักพัญโยไปรู้ทุกอย่างรไปรู้ทั้งหมด เรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่รู้ไม่มีเธอก็นึกถึงบา ร, รมีพระพุทธเจ้าคืนึกถึงพระพุทธเจ้าเองขอใหมาโปรดสงเคราะับก็ปลายกฎิภาพพระที่เธอเห็นก็แสดง ว, ว่าฉันคือพระพุทธเจ้าตอนนี้ผู้ฟังก็ดีผู้อ่านก็ดีโปรดทราบว่าจะเป็นพุทธนิมิตไหนก็ตามให้เชื่อมันว่าคือแั่นคือพระและภาพที่เห็น ก็ไม่ใช่ปัดเนผ้าอบปาทานเึงนกำลังเขาปิดเป็นทิพย์กัสมาธิทิ่สะอาดเธอก็กราบรูปนั้นออกจากเอากายเนออกจากกายเนื้อรูปร่างเ้าปอกเนื้ อ, อปิ้งแก้วเรประดับแพร่ฟา้าวมุสตะเพชรทั้งตัวมีชันดามีรองเท้าเสร็จเกลื่อนความว่าแต่งตัวเหมือนนาฟ้าชั้นสูงเข้าไปกราบรูปพระพุทธเจ้า ถามพระญาติด า, าวพระอังคารอยู่ไหนเจ้าข้าได้กระเจว่าตามฉันมาหลังจากนั้นก็มีความรูษษ้สึกว่าพระพุทธเจ้าเพีนงก้าวเดียวก็ถึงโลกแรงขนันตยวเลยแม้แต่ตัวเล็กแต่ว่าการออกก่อนทำนี้ตัวไม่เล็กออกกระร่างเป็นเด็ดรายกฏว่าเป็นสาวก้าวตามพระพุทธเจ้าเพียงก้าวเดียวก็ปรากฏถึงโลกแรงขันตอนที่ถึงโลกแรงขนัน ก, กงขนก็ยืนอยู่ห่างๆก่อน ฟังคําแนะนําก็ออกสมเร็จปจิณณ์วรยุทธ์พระพุทธเจ้าตามภาพกันนะได้รับบอกว่าโลกนี้คือโลกแรงขานเธอก็มองดูโลกแรงขานเห็นไม่โตนักแต่การไปแร่งกายเป็นทิศใหญ่โตกว่าโลกแรงขานเยี่ยงห่างเธอชี้ดูว่าโลกแรงขานนี้มีสภาพกลมแต่ก็ไม่ใหญ่โตกับโลกมนุษย์ไทยนัก การจริงใหญ่กว่าโลกมนุษย์แต่ใหญ่ไม่มากไม่เหมือนดาวพ ร, รือโลกรอหัดที่ใหญ่โตมากที่ยืนอยู่ข้างหน้ามน้ษมองแล้วใหญ่โตมากอยู่ข้างหน้าแต่เลาเป็โลกเครื่องคานี้ดูให้ดีเห็นว่าข้างด้านบนที่เรียกว่าด้ันเหนือแต่ความจริงด้านบนโลกแครืองคานมีสภาพเนลูกแขังตั้งอยู่โต เป็นมมแหลมนิดหน่อยคือว่าเป็นมมเรียกว่าม ม, ม, ม, มแล้วก็ไม่เป็นบ่องทีเดียวเป็นมุมแหลมนิดนิดแต่ว่าด้านบนตั้นนิดหน่อยคล้ายกับลูกลูกกันผลนนไม้นะลูกกันก็เป็นเป็นหมายความมมบนถูกตั ด, ตดนิดหน่อยแต่ก็ไม่บริเวณกว้างตอนกลารู้สึกว่าจะตเป็นลุ่มนิดเป็นแอ่งลงไปด้านล่างจไปหาจุดกลางทำไมว่า ก, กลางโบ ổ. แต่เตอนกลางหรือตอนด้านบนของโลกพระอางคารี้มองดูแล้ว ค, คล้ายๆจะมีน้ำแข็งน้ําแข็งมีแน่น้ําไหลก็พอมีกรกวมความวโลกรางคารี้มีความชุ่มชื่นจากน้ําเห็นจะมากกว่าโลกพระจันทร์โลกพระจันทร์กลมบ้องมองแล้วไม่เห็นน้ํำชัดมีเพียงแต่ความชุ่มชื่นมี แต่ยังมีทะเลแล้วมีแม่น้าก็ไม่สะอาดเธอบอกว่าไปาเธอไม่ได้สนใจแต่ว่าในนิทานตรงนี้ก็ไม่ได้สนใจเรื่องนั้นสนใจเรื่องที่นักพิาศาสตร์เขายัางไม่โพูด <c oughs> เรื่องโลกร้าโลกแกล้งขานก็ดีความแก่งเขาโลกแกล้งขานแก่งกว่าโลกมนุษย์และแก่งกว่าโลกประจันมีความรู้สึกรรมอือนกับหินแข็งจัดแต่มองลงไปจริงๆ โลกแรงคานีมมีพิษไม่สงมากเพาว่าแต่และจุดของโลกแรงคานมีรังสีพลุ่พุ่งกมาตลอดทั้งโลกบานจุดที่มีกรรมฐานมากก็มีสภาพเป็นไฟเนี่ยไอขึ้นโสงและก็เป็นโคนเดือดได้แสดงว่าภายในโลกแรงคานี้มีน้ำแต่เป็นโคนเดือด มองมองดูแล้วก็ใกล้ไปนีซิแลนด์คือในประเทศนีซิแลน์ก็มีโครงเดือดมองในโลกแรืงคารก็มีโครงเดือดแต่นเรือดเพี้ยน ก, ก็นีซิแนลนด์รู้สึกว่าโลกแรื่งคาร์จะเดือดมากกว่าแระแสความร้อนลูกไ ฟ, ฟพลุ่งของสูงกว่ากระแสน้ำที่ผู้ขงขึนมามีบริเวณกว้างกว่าและก็สูงกว่ามากจังหวะที่จะเลยลงมีน้อย เลยลมาเลยลมานิดหน่อยก็ขึ้นไปนีแ่แสดงว่าผานในโลกแฝงคาน์นี่มีความร้อนมากมองทั่วๆไปนะตอนนี้เธอก็มาเยืนอยู่กลางโลกแฝงคาร์น์เป็นบุ๋มๆขึ้นไปโลกแฝงคานแล้วมองดทูทั่วๆไปมีสภาพแกร่งมากเป็นหินแข็งแข็งก็โลกวิญญาณมากแต่ความรู้สึกอย่างหนึ่งนี้อยู่ว่าโลกสองโลกรู้สึกว่าจนจริงๆ คือโลกแฝงใจก็ดีโลกแฝงขันก็ดีจนสิ่งที่มีชีวิตจนต้นไม้จนผู้คนทั้งหลายจนบ้านจนเรือนเอากายกลาก็เป็นโล ก, ก, โลกสองโลกนี้เป็นโลกหัวโลนทั้งหมดสิส่งที่มีชีวิตจะมีหรไม่มีก็ไม่ทราบมองไปทั่วโลกก็ยังไม่มองเห็นสิ่งที่มีชีวิตนี่ถ้าหาว่าคนฟังและคนอ่าน จะถามว่าตัวนิดหนึ่งยืนจุดเดียวเจนเห็นโลกทั้งโลกไปยังไงก็เรื่องซาบานิทานเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงนิทานในข่าวทุงความเป็นทิพย์ร่างกายทุงความเป็นทิพย์มันใหญ่โตมากสายตาที่เป็นทิพย์ก็ยาวมากสามารถเห็นโลกทั้งโลกได้ทันทีทันใดมองไปด้วยตาเป็นทิพย์เธอก็เห็นส่วนที่มีชีวิต มองไปที่ดูทะเลและแม่น้ำก็นึกแปลกใจว่าแม่น้ำก็ดีทะเลเอยู่อยู่ตอนต่ำาข็โลกแรงขันแต่น้ำก็ยังติดโลกไม่น้ำมันยกหล่นลงมาล่้ ง, งมันน่าจะหกไปหมดแต่น้ำก็ไม่หกมีน้ำใสสะอาดแล้วก็รู้สึกว่าใหญ่โตมากกระแสทานน้ำจากแม่น้ำก็มีมาก ตัวความระเบีองล่างของโลกแรงขันมีแม่น้ำมีทะเล <c oughs> แต่จะมีตาแลยไม่ไม่สนใจย้อนกลับมาที่เดิมมองดูไปรอบๆว่าโลกแรงขันมมีอะไรน่าดูบ้างมองดูจุดที่เท้าเยืนอยู่ก็กลายเป็ว่าจุดนี้มีน้ำแข็งหนาตอนเป็นบริเวณกว้างมาก แสดงว่าด้านนี้หนาวจัดการมาอยู่ที่นั่นไม่รู้สึกว่าหน า, าเวเพราะไม่หนาวเนื้อไม่ได้กระโดดเพราะหนหนังไปเอแต่ร่างกายที่เป็นลมไปคือกายทิศหนาวก็ไม่เป็นมอ ง, งดูไปโดยทีหนึ่งว่าจุดไหนเ้าโลกแรงขานจะมีประโยชน์กับการชมบ้างใช้จิตใจสะอาดลงไปนิดหนึ่ง นึกถึงบา ร, รมีขุดเจ้าเป็นสำคัญว่าสิ่งใดที่ปรากฏที่นี่นั้นที่มีอยู่เขาปรากฏชัดเจนแจ่มใสว่าฐานที่บา ร, รมีโอ้คุณจตุจามใจอย่างนี้ก็าปรากฏจิตใสขึ้นมองทุกอย่างชัดเธอก็ทราบว่าโลกไรา้คาันมีรางสีมากคือมีไอขึ้นโทัทุกทิก ไอกระเพื่อนี้จะมองในตาเปล่าไม่เห็นไม่เหมือนไอน้ำร้อนน้ำารีต้มเดือดหรือไอเกิดขึ้นลําสามารถมองด้นตาเปล่าไอกระเพื่อนี้พุ่งออกจากโลกแรงคานพัวตัวแต่ว่ามองในตาเนื้อไม่เห็นถ้าตาชิตห ย, ยาบก็ไม่เห็นตอนที่านซัมอีกทีขอบารมีพระุทธเจ้าเห็นชัเจนมากก็นล็กในใจว่าเราสีนี้มากอย่างนี้ จุดไหนที่มีความสงคัญอย่างไหนจะมีประโยชน์อะไรบ้างเธอก็มองไปจุดหนึ่งเหนเป็นหินสีขาวสะอาดแตวาขาวอย่างหินไม่ใช่ขาวอย่างแก้วเป็นบริเวณหินขาวสะอาดอย่เบื้อหน้าเอลึกลงไปข้างล่างปรากฏว่าเป็นหินสีดำมีบริเวณกว้างมาก แล้วก็ลึกมากจำนวนมากเล็กเกินหินประเภทนี้นแร่ความจียงไม่จะเห็นแล้วข้าล่างมันเป็นแร่ด้วยห็นไประดีวจะเข้าใจผิดคนเล่เาก็เข้าใจว่าเป็นเห็นเหมือนกันเพราะว่าเป็นแร่แร่ประเภทนี้มีความแข็งถ้าจากักว่าเป็นเหล็กก็เป็นเหล็กที่แข็งมากทนต่อการเสียดสีทนความร้อนทนต่อการอระทกระแท้งแล้วก็ดำเป็นมันแป๊ รู้สึกว่ า, าคล้ายจะเป็นแร่เหล็กไหลจะไม่แค่เหล็กไหลแต่แข็งจัดความรู้สึกเกิดความประทิศของจุลัยอาศัยบารมีพระเจ้าไป็นพื้นฐานก็ทราบว่าแร่ประเภทนี้ที่ในโลกมนุษย์ไม่มีที่จะเป็นแร่หินที่มีความแข็งแกร่งแข็งแกร่งอย่างนี้ไม่มีถ้ามนุษย์ได้ไป จะมีประโยชน์ใหญ่จากการสร้างจระโยชวแลพันธ์อากาศผัดหลังสีต่างๆจะมีประโยชน์มากแต่ว่าอันตรายของหังสีในตอนนี้ไม่มากนะักตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้ามนุษย์ะกลงไปแต่ว่าถ้าไปตกราวอย่างไม่มีความรู้ไม่มีการป้องกันหลังสีนั่นก็มายความตายแน่แต่จะค่อยๆตายช้าๆ ถ้าเข้าไประยะแรกจะเกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือเพลียเมือดจะค่อยๆแห้งไปเรืนน้อยน้อ ย, อ, ยอากาศหายใจจะไม่พอในที่สุดก็ไม่สามารถจะกระิกกระเดียตัวได้ตายายิ่งผู้ที่จะไปที่นี้ได้ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้มีความสามารถและก็มีทางป้องกันรางสีได้เรื่องวิทยาศาสตร์ไม่ขอพูดมาก เขไม่มีความรู้หลังจากนั้นเธอขอบา ร, รมีอดสมเด็จพระจอมไกลดูต่อไปแล้วก็หยับไปโดยไม่ต้องเดินไปด้วยกายคิดไม่ต้องเดินกรลแสงไกลไอ้ปั๊บเดียวก็ถึงก้าวออกไปทางด้านท่าเทียกบกมนุษยสโลกทางด้านทิศตะวันตกเทียบกับเมืองมนุษย์นะโลกมนุษย์ในด้านทิศตะวันตกนี้กระไลจากบริเวณนั้นถ้าเปลือกเทียบกุบมนุษย์คือหมดขอบเคก็แห่นเลย ประมาณเือบสิบเจ็ดสิบหม่ไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือนิดนิดตอนนี้เห็นดินสีแดงแต่แดงแค่แค่ดินศุกไม่ชแดงสีเรศนกมองลงไปแล้วในที่นี้มีทองแดงมากทองแดงเป็นทองธรรมชาติเกิดเจอแร้ชนิดหนึ่งที่สัมผัสกับกระแสดินจริงกัน แล้วกลายเป็นทองแดงทองแดงก็มีสภาพสวยสดงงามมากสีสวยมากบริเวณก็กว้างตอนนี้ขยับขึ้นไปทางทิศเหนือเห็นสิ่งขาวพรวนอยู่ข้างหน้าจ่งขาวพพวนเป็นใบกายพืชแตเป็นใบกายแวแ๊บๆหมายว่านื้ละเยดขาวที่สะอาดมองบริเวณแล้วคิดว่าเป็นสารสีแต่ความจริงไม่ใช่ ้องไปทีลูกจะก็เป็นทองขาวทองขาวในโลกกะอังคารนี่มีปริมาณมากแล้วก็ไม่เคยถูกทำลายทุกอย่างที่ผ่านมาไม่มีเรื่องอะไรกันถูกทำลายน่าเสียดายที่คนในโลกมนษุษย์เรีกว่าโลกสีชมพูไม่เรกว่โลกชมพูถ้ามาในที่ไม่ได้สิ่นทัหลายแล้วนี่คุณจะขุตถูกขุดแบ่งลงไปมาก โดยบริเวณทองขาวรู้สึกสวยมีความแข็งมากบริเวณลึกมองไปแล้วก็รู้สึกว่าเป็นของธรรมดาธรรมดาเมื่อจิตใจเป็นทิพย์แรงกายเป็นทิพก็ไม่อยากได้อะไรเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของอยากด้านเหนือมาจังใกลข้นข้ น, นพิจวันออกตลอด เ, เที่ยงเหนือในช่วงนี้รู้สึกว่ามีแต่ก่อไม่สภาพปกติมากและก็มีแรงสีขึ้นสูงมาก ราศีซึ่งเคร่งขนหนาจัดมีกําลังแรงสูเป็นบริเวณลานตะลัวลานใหญ่แล้วก็ลึกมากมีความรู้สึกว่าที่ไหนมีแต่กลัวในโลกวันนี้ก็ถือว่าที่นั่นมีโยเรเนียมแยร่ยูเรเนียมแยร่ยูเรเนียมมันแปลว่าอะไรเนะเาะก็ไม่รู้เหมือนกันพูดตำเขาพูดก็ถือว่าที่ไหนมีแต่กลัว ที่ดงก็มีแร่ที่มีรังสีร้อนจัดร้อนจัดเแต่ว่าเย็นจัดก็ตามเถิดมีรังสีร้อนจัดก็แล้วกันสามารถเผาผลานทุกส่ทุกอย่างให้บดฝายไปได้โดยทุกกาเดียวคือว่ารังสีของแร่ประเภทนี้มองไปทีเห็นแร่ก้อนใหญ่แล้วมีรขมาณมากเปอร์เซ็นต์สถ้าจะเทียบกับโลกมนุษที่โจลไหอยู่ก็รู้สึกว่าถ้าโลกมนุษ อยู่เรยกนี่ยแม่แรกรเพนี่ร้ยเปอร์เซ์ถ้าเทียบกับโลกแรกใครก็ต้องเป็นส3สามพันเปอร์เซนมีความแกลงมีความแรงมากแต่มาลึกถึงองค์สมเด็จพระพู้มีพระภาคเมื่อพระองค์ทรงแปลกฎสมเด็จพระอรันคสครดท่านบกว่าเขาไม่ไดกนีนแรกอยู่เรียกเนี่ยถือว่าเอาอย่างนี้กับเรกันคนไทยพูดภาษาไทย หรือว่าเป็นแร่ที่มีกำ ล, ลังหลังสีสูงมากแล้วแต่นในการขับเคลื่อนถ้าใช้เป็นเชือกเพลิงและเป็นกำลังการขับเคลื่อนข อ, อยงยานพาหนะจะมีความเร็วสูงกว่าการใช้น้ำมันที่ชาวโลกมนุษย์ใช้กันหลายพันเท่าเพราะว่ามีความแรงและมีความเร็วสูงกว่าหลายพันเท่า แต่ว่าผู้นาไปใช้ต้องฉลาดต้องรู้จักกัดรู้จักรู้จักกัดกจับเล็กกับหลังเขาแรกประเภทนี้ใช้ตะลังตามสองคนแรกประเภศนี้มองลกผิวผิวผิวภายนอกรู้สึกว่าเป็นผิวขาขาวมมมั ว, มวก้อนก็มาใหญ่ตัวนักก้อนเล็กก็มีก้อนใหญ่ก็มี แต่เสียงท่านบอกว่าแก้วประเภทนี้ที่นำํำท่านํนาไปสกัดเรียกว่าไล่เคี่ยวให้หมดเจะเป็นแก้วที่มีสีใสจัดเหม็นจะแก้าเหม็วจะบรราใสามากเป็นไปเศดแนบประเภทนี้ในจักรวาลมนุษย์ในโลกชมพูยังไม่มีคำว่าโลกชมพูหมายความโลกมนุษย์ที่เราอยู่วันนี้ยังไม่มีมีกาลังสูง ม, มาก ปริมาณเขาสงัดมีปริมาณเยอะในที่สุด ก, ก็มองไปมองมาปริมาณของแร่ประเภทนี้ปรากฏว่ามีเป็นจุดๆดขาโลกร่างคานไม่ได้มีจุดเดียวทองแดงก็เหมือนกันทองขาวก็เหมือนกันแล้วก็เงินก็เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มีเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งที่เพราะมีมากหลายๆจุดมองโดูทั่วโลกมีเยอะ ยานนี้ถ้าสลังไปได้สามารถใช้ทรัพย์สินที่มีค่ามาสรรมาใช้โดยมากไม่ขาดทุนเธอจะลงทุนสักกี่ล้านล้านเหรียญไม่สำคัญไม่ขาดทุนแน่ก็งงความว่าเดินดูทั่วๆก็สนใจแร่ประเภศนี้มากคิดว่ายกดยานต่างๆในประเทศของเราเราต้องซื้อน้ำมันเขาใช้สตังก็มาจะมีน เสียทีก็เสียสตังเปมากและก็ต่อซื้อกันเรื่อยๆแต่มันในประเทศเราก็ขึ้นมายังไม่พอใช้สมมติว่าถ้าได้แร่ประเภศนี้ไปใช้ก็เยื่อใยานภาชนะก็จะเกิดประโยชน์มากเธอก็นึกถามองสมมติในพระพุทธมีประภาคความจริงนึกในใจเห็นภาคถามภาพนั่นจะเกันการลักโง่ยาเจ้าซาตานความจริง แม่แรกแบบนี้สมมติว่าได้ไปสัดหนึ่งกิโลนับน้ำหนักหนึ่งกิโลในประเทศไทยใช้รกคนลุดธรรมดาป็นแรกที่จะกันแล้วมีแน่แรล้วนไม่มีขี้ใช้เป็น แ, บบแรงพลังขับเคลื่อนหนึ่งกิโลนี่จะใช้ได้กี่ชั่วโมงก็มีความรู้สึกก็มีเสียงตอบเสียงที่ไพเราะนิ่นวน ไม่ใหญ่ไม่เล็กมีกังวลไปเราะมากก็ต่ว่าได้ได้ไปหนึ่งกิโลเป็นแรกที่เม็ดจบแล้วจะใช้กำลังขับเคลื่อนใช้เวลานานเกินกว่าสามสิบปีสามปีนี่ยังไม่หมดกำลังจะลดไปยังไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซนใช้ไปถึงหกสิบปีก็ยังไม่หมดถ้าจะมหมดจริงๆกำลังของมันจะต้องใช้ประมาณแปดสิบปีเสร็จ ถ้าจะกำลังขับเคลื่อนจะใช่เร็วมากมองไปดูอีกทีก็รู้สึกว่าแร่ประเภทนี้มีรอยถกขดเดินไปลาดมีรอยถกขดรืด่โบลองไป ม, มันก็เสียงใดที่ต้องถกขึ้นมามองไปรอบๆ บ, บริเวณเห็นมีสภาพมันเต้นแตวโรงงานเล็กๆอยู่ที่นั่นมีเครื่องมือที่เป็นเหล็กมีความแข็ง ว่ามัยังรายอยู่มากมายเธอก็สงสัยว่าทมืมทั้งหลายเรามีมีได้ยังไ ง, ท, งทั้งที่โลกนี้ไม่มีเงินทั้บรรดาลูกหลานทุกคนกดทราบ